ดูก่อนท่านผู้สแสวงหามาคาแห่งอมตะขพเจ้าเอ่ยขึ้นการประพฤติปฏิบัติอย่างท่านนี้เป็นการทำให้ความหมายแห่งพรหมจรรย์สมบูรณ์เต็มที่ท่านเป็นผู้ดำเนินตามพยุโคลบาแห่งพระบรมศาสดาย่างใกล้ชิดถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปขพเจ้าอยากทราบว่าเพราะเหตุไรท่านจึงชอบใจพรหมจรรย์นี้ อะไรเป็นสาเหตุให้ท่านออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ท่านมีความรู้สึกอย่างไรจึงสละเพศคลือหัดเข้าโมสู่ธรรมวินัยนี้โดยมิได้คิดหวนกลับอีกพระสุมนะท่านผู้เจริญเวลานี้ก็เพิ่งกึงปฐมยามแห่งราตรีเ ท, ท่านั้นเวลาสำหรับพักผ่อนยังเหลืออยู่อีกมากเขาพระเจ้ายินดีจะเล่าเรื่องของขาพระเจ้าให้ท่านทราบ และเป็นอันตอบปัญหาของท่านไปในเรื่องนั้นเสร็จอันหนึ่งคนส่วนมากเข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาบวชนั้นต้องมีสาเหตุสีประการอย่างได้อย่างหนึ่งตามที่พระเจ้าโกรพิยะราชาแห่งแคว้นชื่อ น, นั้นเคยทรงเข้าใจและตรัสถามพระรัฐปาระเถระมาแล้วเหตสีประการนั้นคือความเสื่อมเพราะโรคภัยเบียดเบียนหนึ่ง ความเสื่อมเพราะชาลาหนึ่งความเสื่อมจากโภคะหนึ่งความเสื่อมจากมูญาตหนึ่งนี่แหละคือความเสื่อมสีประการอันเป็นสาเหตุให้คนออกบวชตามความเข้าพัทัยของพระเจ้าโกรผียะท่านรัฐปาระผู้เจริญพระเจ้าโกรผียะตรัสความเสื่อมเพราะชรลานั้นคืออย่างไร คือว่าบุคคลบางพวกในโลกนี้แก่แล้วจึงคิดว่าเชไหนหนอเราพึงปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะบวชประพฤตตนเป็นผู้ไม่มีเรือนท่านรัฐปาระผู้เจริญบัดนี้ท่านยังหนุ่มมีเกสาอันดำประกอบด้วยวัยอันเจริญความเสื่อมเพราะชราหามีแก่ท่านไม่ท่านคิดอย่างไรจึงออกปวด บุคคลบางคนมีอาภาษหนักจึงคิดว่าบัดนี้เราเป็นผู้ป่วยยากที่จะหาทรัพย์ได้แล้วจึงบวชท่านรัฐปาระผู้เจริญท่านไม่มีความเสื่อมเช่นนั้นเพราะเหตุไรจึงบวชบุคคลบางคนเคยเป็นคนร่ำรวยมีทรัพย์มากต่อมาทรัพย์สมบัติสิ้นไปจึงคิดว่าจะหาโพคะให้มีขึ้นมาใหม่ แล้วดำรงตนอยู่ให้ผาสุขเช่นเดิมนั้นเป็นการยากแล้วจึงออกบวชท่านรัฐปาระผู้เจริญท่านหามีความเสื่อมเสียเช่นนั้นไม่เพราะเหตุไรท่านจึงบวชบุคคลบางคนในโลกมีญาติมากมีคนรู้จักมากต่อมาจึงเสื่อมจากญาตินั้นจึงคิดว่าเมื่อก่อนนี้เรามีญาติมากแต่มาบัดนี้ได้เสื่อมหมดแล้วจึงบวช ท่านรัฐปาระพูดเจริญท่านหามีความเสื่อมชช้นนั้นไมมเพราะเหตุไรท่านจึงบวช ท่านผู้สแสวงหามัคคาห่งอมตะคำพูดเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าเป็นคฤหอขัดข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังอยู่เสมอข้าพเจ้าอวุโสข้าพเจ้าอยากทราบว่าพระรัฐปาระเถระตอบคำดํารัสถามของพระเจ้าโกรพยะอย่างไรพระสุมณนะพระรัตถาระตอบว่าท่านเห็นเหตุสีประการเหมือนกัน จึงออกบวชเหตุสีประการนั้นคือ 1. โลกคือหมูสัตว์อัญชารานําเข้าไปใกล้ความตายไม่ยั่งยืน 2. โลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ต่อต้านไม่มีผู้เป็นใหญ่ 3. โลกคือหมูสัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจําต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป 4. โลกคือหมูสัตว์พร่องอยู่เป็นนิด ไม่อิ่มไม่เบื่อต้องตกเป็นทาสของตันหาท่านผู้เจริญทำสี่ประการ น, นี้ภัยราะยิ่งนักงามทุกวักทุกตอนแน่นอนหลือเกินที่ว่าโลกคือหมูสัตว์ถูกชลาน้อมเข้าไปสู่ความตายไม่ยั่งยืนใครเล่าที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายบุคคลผู้มีทรัพย์มากมีบริวารมาก อาจหาสิ่งที่ตนต้องการได้เท่าที่มีอยู่ในโลกนี้อาจจะหลีกอันตรายต่างๆได้เท่าที่กำลังและอำนาจมีอยู่แต่เขาจะซื้อหาความไม่แก่ลบลีกภัยคือความแก่ไม่ได้เลยไม่ว่าด้วยวิธีใดๆไม่สามารถต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยโลกคือหมูสัตว์ไม่มีผู้ต่อต้านไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนต้องตกอยู่ภายใต้อานาจของความเจ็บ ผู้อันทุกขเวทนาครอบงำแล้วแม้จะมีปียชนเช่นบุตรธิดาเป็นต้นห้อมล้อมหากจะแบ่งความเจ็บปวดรวดเรามาสูต่ตนบ้างก็ไม่สามารถเลยได้แต่นั่งมองตากันโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปดูเถิดท่านผู้เจริญเมื่อบุคคลนอนบนเตียงเป็นที่ตาย ถูกมัจจุราชเรียกตัวแล้วเขาต้องไปตามพระบัญชาอันเฉียบขาดของตุลาการโลกไม่ยกเว้นว่าผู้นั้นจะเป็นใครร่ำรวยยากจนมีอำนาจวา ส, สนาแค่ไหนและในการไปนั้นเขาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของตนซึ่งเขาเคยหวงแหนถนอมกลมเกลายิ่งนัก และยึดถือเป็นสมบัติชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายเป็นที่ตั้งแห่งตั้นหามานะมันถูกทอดทิ้งให้เป็นเหยื่อของหนอนและมแมลงต่างๆ สมแล้วกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าความแก่และความตายนั้นเหมือนภูเขาศิลาล้วนสูงจดเมฆพังทลายกลิ้งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่และแล้วก็หมุนบทสัตว์ทั้งหลายให้แหลกละเอียดเป็นจุนวิจุนไปไม่มีสัตว์ใดเลยที่จะรอดพ้นจากการย่ํายีของผู้เป็นใหญ่กล่าวคือความแก่และความตายนั้น แม้อย่างนี้สัตว์ทั้งหลายก็ยังประมาทมัวเมาเอาตัวเข้าไปประกอบกรรมทําชั่วต่างๆพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่ามนุษย์ทั้งหลายก้าวไปสู่ความตายอยู่ทุกวันทุกวันแต่ยังประมาทมัวเมาเบียดเบียนกันก่อทุกข์ให้แก่กันเหมือนหมูเป็ดไก่ถูกนารวมๆกันไปสู่ที่ฆ่าแต่มันก็ยังจิกตีกันหารู้ไม่ว่าอีกไม่ช้านี้ มันก็จะถูกฆ่าให้ตายหมดมนุษย์เราอยู่กันได้คนละไม่กี่ปีก็จะตายกันหมดจะเบียดเบียนกันทำไมหรือสยาหาโทษให้กันทำไมข้าพเจ้าอาวุโสเรื่องนี้น่าสลดใจยิ่งนักทำอย่างไรจึงจะให้โลกลืมตาขึ้นมองดูเปิดหูออกฟังมธทรสสุภาษิตตามที่ท่านกล่าวนี้แต่ช่างเถิด ท่านผู้มีอายุเวลานี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะฟังเรื่องราวของท่านซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์หาน้อยไม่พระสารชาตินิ่งอยู่สักครู่หนึ่งเพื่ออย่างดูว่าพระธรรมชาตินั่งฟังเรื่องที่ท่านนำมาเล่าอยู่นานแล้วจะมีความเห็นอย่างไรหรือจะเบื่อหน่ายในการฟังหรือไม่เมื่อแน่ใจว่า ผู้สนทนามีความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะฟังเรื่องราวของพระสุมณนะสหธรรมิกผู้มีปฏิปทาอันน่าเรื่มใสท่านจึงกล่าวขึ้นว่าพระดาเวลานั้นยังอยู่ในเขตปฐมยามแห่งราตรีสุ ก, กรปักโทสากรสาแสงสีนวลใหญ่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างที่เราทั้งสองสนทนากันอยู่ กระแสลมอ่อนพัดมาเบาๆนำเอากลิ่นดอกไม้ป่าและปทุมในสระใกล้อาสมติดมาด้วยบรรยากาศช่างแจ่มใสเยือกเย็นเสียเลิศเกินเสียงกิ่งไม้ไหวและใบไม้เหลืองรนมีอยู่บ้างในบางครั้งข้าพเจ้าและท่านสุเมนะนั่งกันตามสบายเราทั้งสองมองมือออกไปข้างนอกในจุดเดียวกัน รูปเงาอันมีลักษณะคล้ายรูปคนภายใต้ต้นไม้ใบหนาข้าพเจ้าสังเกตเห็นพระสุมณะถอนหายใจเล็กน้อยก่อนที่จะเล่าเรื่องของท่านอันมีทั้งโลดโผนเศร้าสลดระคนกันต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านสุมณะซึ่งข้าพเจ้าขอถ่ายทอดมาเล่าสู่ท่านผู้มีอายุฟัง ท่านสุมณะเล่ากับข้าพเจ้าไว้ดังนี้ข้าแต่ท่านผู้สแสวงหาสันติวรบทข้าพเจ้าถือกําเนิดในตระกูลพราหม์ซึ่งเมื่อว่าตามโลกนิยมแล้วก็เป็นตระกูลสูงเคียงบาเคียงไหลกับตระกูลกษัตริย์ทีเดียวแต่สิ่งที่พระพรหม ม, มิได้ประทานให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามาด้วยนั้นคือทรัพย์สมบัติผู้พราหมณ์ถือว่าตนเกิดจากป่าของพระพรหม แม้จะยากจนก็ยังยิงในวันะของตนและเหยียดหยามวันะที่ต่ำกว่าอย่างไรครอบครัวของขพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นขพเจ้าถูกอบรมให้ไว้ตัวไม่คลุกคลีปะปนกับคนในวันะไสยะและสูตรซึ่งเป็นเรื่องที่ขพเจ้าไม่ชอบใจเลยตั้งแต่ขพเจ้ายังเป็นเด็กเพราะธรรมดาเด็กย่อมรู้จักแต่เล่นหาความสนุกเพลิดเพลินไปตามเรื่องของเด็กเท่านั้น ไม่มีความคิดเรื่องเกียร์เรื่องชั้นวันนะยิ่งเกี่ยวกับเด็กจันทานด้วยแล้วถูกห้ามเด็ดขาดทีเดียวข้าพเจ้ามีพี่สาวคนหนึ่งและเป็นสองทั้งข้าพเจ้าพี่สาวของข้าพเจ้านั้นแม้รูปร่างไม่สู้จะสวยนักแต่ใจดีเหลือเกินเรารักกันมากไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยเรื่องใหญ่ในครอบครัวของข้าพเจ้าคือเรื่องความยากจน บิดาของข้าพเจ้าเป็นเพียงนายโคบานรับจ้างเลี้ยงโคเช้าไปรับโคจากบ้านเจ้าของเย็นลงเอาโคไปส่งรับเอาค่าจ้างมาข้าพเจ้าไปกับบิดาเสมอเมื่อนำโคไปเลี้ยงที่ไหนก็ น, นำข้าพเจ้าไปด้วยเราจะออกกันแต่เชา้าและกลับมาเมื่อจวนพลบนับโคให้ครบตามจำนวนแล้วส่งเจ้าของ ผู้เจริญความลําบากประการหนึ่งของผู้รับจ้างเลี้ยงโคคือการกลัวโคหายถ้าโคหายนั่นหมายถึงการเป็นหนี้สินตลอดชีวิตเพราะเจ้าของโคจะเรียกค่าโคจากคนเลี้ยงเราเพียงแต่นําค่าจ้างไปเลี้ยงที่วันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงก็ฟืดเคืองอยู่แล้วจะเอาค่าโคที่ไหนมาใช้ให้เขาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเหลือเกินไม่ละเมิดเลย ข้าพเจ้าพูดได้ยังเต็มปากว่าบิดาระวังรักษาโค ข, ของนายจ้างยิ่งกว่าระวังข้าพเจ้าเสียอีกทั้งนี้เหตุผลแจมแจ้งอยู่แล้วคือข้าพเจ้าหายหรือตายไม่เป็นไรแต่ถ้าโคหายครอบครัวของข้าพเจ้าต้องลำบากกันทั้งหมดครอบครัวของเรากินกันอย่างจำกัดที่สุดข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังอย่างไม่ละอายเลยบางมือมีปลาเล็กๆ เ, เพียงตัวเดียวเท่านั้น เราแบ่งกันสี่คนบิดากับมารดาเอาท่อนหนึ่งและแบ่งกันคนละซีกขพเจ้าและพี่สาวแบ่งกันคนละซีกข้าวก็มีจำกัดวันไหนได้กินข้าวสุกพอแก่ความต้องการและมีปลาคนละตัวแม้จะเล็กๆก็ตามนั่นเป็นอาหารมื้อพิเศษสําหรับเราแล้วและมีบ่อยครั้งที่เราต้องเข้านอนทั้งๆ ท, ง ท, งที่ท้องยังหิวโหวยต้องการอาหารเป็นที่สุดเสื้อผ้าเล่า ท่านผูเ้เจริญข้าพเจ้าจําได้ว่าไม่เคยมีผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ทั้งชุดเลยสักครั้งเดียวถ้าผ้านุ่งใหม่ผ้าห่มก็จวนจะใช้ไม่ได้อยู่เต็มทีแล้วถ้าผ้าห่มใหม่ผ้านุ่งก็มีร้อยปะร้อยชุนจนเกือบจะหาเนื้อแท้ของผ้าไม่ได้และมีอยู่บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าต้องใช้เชือกร้อยผ้าที่ขาดมากๆเพราะไม่มีเข็มและด้ายสำหรับเย็บท่านผูเ้เจริญ เรื่องที่จะมีผ้าสวยๆหรือแม้เพียงผ้าเนื้อหยาบใหม่ๆสักสองชุดนั้นเป็นอันไม่ต้องพูดถึงที่อยู่เล่าเรามีกระท่อมเพียงพอบังแดดและน้ำค้างเท่านั้นคืนไหนฝนตกหนักเราทั้งหมดต้องมานั่งรวมๆกันในที่ที่พอจะบังฝนได้บางคราวพวกเรานั่งกันอยู่ตลอดคืนถ้าฝนตกหนักตลอดคืนนั้นเรือนรั่วไม่มีทุนจะซ่อมแซม เรามีเวลาเพียงหารายได้มากินอย่างเดียวเท่านั้นก็แทบจะไม่ไหวทุกคนไม่ได้อยู่เฉยๆพี่สาวของข้าพเจ้าก็ขยันขันแข็งแต่เนื่องจากรายได้ค่าแรงของเราถูกเหลือเกินถ้าเราไม่ยอมทาก็ยิ่งเร่งวันอดตายให้ใกล้เข้ามาโดยเร็วเรื่องยารักษาโรคนั้นเกือบจะไม่ได้พบกันเลยในบางครั้ง ข้าพเจ้าเคยนอนป่วยโสมอยู่เป็นเวลาสองสามวันโดยไม่ได้รับยานอกจากคำประโมจากมารดาและในที่สุดก็หายไปเองท่านผู้เจริญถ้าถือตามหลักกรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วข้าพเจ้ามีชนกกรรมที่เลวที่สุดเพราะนอกจากยากจนแล้วข้าพเจ้ายัางขี้โรคอีกด้วยเจ็บอดอดแอดแ อ, อ, อ, อดอยู่เสมอ แต่พอรอันประเสริฐอันหนึ่งซึ่งติดตัวข้าพเจ้ามานั่นคือความเข้มแข็งทนทานทางจิตใจข้าพเจ้าอดทนกล้าหาญและมีอะไรอีกหลายอย่างที่ช่วยข้าพเจ้าให้ต่อสู้กับโลกได้วันหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่คือฝนตกหนักแต่เช้ามันเทลงมาเหมือนแกล้งพวกเรา แม้ฝนจะตกฟ้าจะพาย่างไรบิดาและข้าพเจ้าก็คงทำหน้าที่ซึ่งไม่เคยเว้นเลยนั่นคือไปรับโคมาเลี้ยงต้องเปียกปอนหมดถ้าเป็นผู้ดีมีเงินทองน่าจะเป็นวัดตายกันเป็นแถวแถวแต่พวกเราไม่เป็นไร ทนแดดทนฝนพอๆพกับโคที่เรานาไปเลี้ยงเรานำอาหารเพียงเล็กน้อยไปกินเวลากลางวันพอตกบ่ายฝนก็หายอากาศสดชื่นบังเอิญวันนั้นบิดาของข้าพเจ้ามีความจําเป็นต้องกลับมาบ้านก่อนและสั่งข้าพเจ้าไว้ว่าเมื่อได้เวลาตามที่เคยกลับให้นับจำนวนโคให้ครบแล้วนำมอบเจ้าของและรับเอาค่าจ้างกลับบ้านเมื่อบิดากลับแล้ว ข้าพเจ้าก็เลี้ยงโคจจำนวน4ี่สิบตัวแต่เพียงผู้เดียวในทุ่งหญ้าแห่งนั้นข้าพเจ้าดีใจที่ได้พบโสมทั์ลูกชายเจ้าของโคเขากลับมาจากธุระบางอย่างและจะกลับบ้านเราสนทนากันอยู่ครู่หนึ่งแล้วเขาก็ลาไปท่านผู้เจริญเป็นเวลาโร พ, พระอาทิตยากำลังจะรับขอฟ้าอยู่แล้วข้าพเจ้าเตรียมตัวนับจานวนโค พอดีเหลียวมาเห็นบิดาเดินมาท่านแสดงความปราณีข้าพเจ้าโดยเอามือรูปศีรษะพร้อมด้วยถามว่าลูกรักเรียบร้อยดีหรือพ่อเป็นห่วงลูกพอเสร็จธุระก็รีบมาข้าพเจ้าตอบท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปกติอย่างเคยและบิดาก็ไปต้อนโคกลับพร้อมด้วยการนับจํานวนท่านพูดเจริญพอนับเสร็จบิดาของข้าพเจ้าหน้าซีดเผือด ยืนงงเหมือนจะไม่สามารถทรงตัวได้ท่านพูดด้วยเสียงตกใจว่าโคหายและอีกครู่หนึ่งต่อมานั่นเองอากา ร, ระหรกตกใจและงงงันของท่านก็หายไปแต่กลับเป็นกริยาอาการเครียวกราดข้าพเจ้าไม่เคยเห็นบิดามีโทสะรุนแรงอย่างครั้งนี้เลยท่านหันมาตะคอกถามข้าพเจ้าว่า การเลี้ยงโคอย่างไรมันหายไปไหนเสียหนึ่งตัวลูกดูอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นมันแยกกันเลยลูกเข้าใจว่ามันยังอยู่ครบข้าพเจ้าตอบด้วยอาการที่ตรงกันข้ามกับบิดาคือข้าพเจ้าตกใจจนตัวสัน่นพูดจาตะกุกตะกัก บ, บิดาลองนับโคอีกครั้งหนึ่งมันคงหายไปหนึ่งตัวอยู่นั่นเอง ท่านผู้เจริญด้วยอำนาจความโกรธจนลืมตัวข้าพเจ้าเคยบอกท่านแต่เบื้องต้นแล้วว่าโคหายนั้นหมายความว่าอย่างไรบิดาใช้หมายสำหรับต้อนและเคี่ยนโคนั่นเองฟาดลงบนตะโโขของข้าพเจ้ายังหนักน่วงปรีน้องแผ่นหลังของข้าพเจ้ามีเลือดซึมตาไม้ออกมาทุกครั้งข้าพเจ้าบิดตัวเหมือนปลาไหลด้วยความเจ็บปวดครั้งสุดท้ายข้าพเจ้าจาได้ว่า บิดาใช้ฝ่ามืออันใหญ่หนากร้านของท่านฟาดปริ่งลงบนใบหน้าของข้าพเจ้าและทันทีนั้นสติสัชัญญาของข้าพเจ้าก็ดับบูบลงทันทีไม่รู้สึกตัวอีกเลยเมื่อข้าพเจ้าลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าอยู่ในอ้อมแขนของมารดามีมายุษาพี่สาวของข้าพเจ้านั่งอยู่ใกล้ใกล้มารดาของข้าพเจ้าร้องไห้สะอึกสะอื้นปิมว่าจะขาดใจตาย และมายุสาก็ช่วยร้องไห้ด้วยข้าพเจ้าไม่เห็นบิดาข้าพเจ้ารู้สึกปวดระบมไปหมดทั้งตัวมีแผลเป็นทางยาวข้าพเจ้าบิดตัวและเคลื่อนไหวด้วยความปวดร้าวพูดไม่ออกมันมึนงงไปหมดยิ่งได้เห็นมารดาร้องไห้พลางเอามือรูปศรีรษะในเนื้อตัวของข้าพเจ้าอยู่ไปมาด้วยแล้วน้ําตาของข้าพเจ้าก็พรั่งพลูออกมาอาบแก้ม ข้าพเจ้าพยายามทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นและในที่สุดข้าพเจ้าก็พูดออกมาเบาวๆว่าโคหายข้า oh พเจ้าสั่นเทิมไปหมดทั้งตัวคำนี้เป็นคำที่เรากลัวกันที่สุดและสิ่งที่เรากลัวก็มาถึงเราแล้วข้าพเจ้าคนเดียวเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่และพี่ต้องลำบากมารดาให้มายุสานาอาหารมาและบ้อนให้ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้ากลืนไม่ลงขอหอยมันตีบตังไปหมดข้าแต่ท่านผู้สืบอริยวงข้าพเจ้าหลับไปด้วยความอ่อนเพลียและเจ็บปวดเมื่อตื่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงมารดาและบิดาพูดกันอยู่ส่วนมายุสานั้นคงหลับด้วยความเหนื่อยอ่อนเหมือนข้าพเจ้าท่านคงคิดว่าข้าพเจ้าหลับสนิทฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้รู้เรื่องโคหายมารดาข้าพเจ้า ทำไมพี่ถึงทารุนกับแกถึงปานนั้นบิดาข้าพเจ้าพี่ลืมตัวไปจริงๆความกลัวว่าจะต้องใช้หนี้ค่าโคกันทั้งชีวิตทำให้พี่ทำเกินไปมารดาแล้วพี่ทำไมไม่สืบสวนเสียก่อนไปด่วนลงโทษเด็กช้ำไปหมดทั้งตัวแกเพิ่องอายุได้ส4บสี่ขวบเท่านั้นมารดามีเสียงเคลือเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยบิดา ก็พี่บอกแล้วว่าลืมตัวไปพี่กรุ้งใจจนบอกไม่ถูกแล้วสงสารก็สงสารเราก็ด่วนตัดสินใจไปหน่อยเจ้าเด็กสมทัศน์ก็ไม่น่าเลยเมื่อจะเอาโคกลับมาก่อนตัวหนึ่งก็ควรจะบอกคนเลี้ยงให้รู้เสียเขาจะได้ไม่หานี่เจอโคที่ตัวรักแล้วเอามาทําให้เราตีลูกเกือบตายมารดาแล้วสมทัศน์แกว่าอย่างไรบิดา แกก็บอกเพียงว่าเห็นโค ต, ตัวโปรดก็จูงมาว่าจะบอกสมณะก็เห็นอยู่ไกลนึกว่าคงมาพบกันที่บ้านแล้วจะบอกเสียงมารดาถอนหายใจด้วยความท้อใจบิดาพูดว่าพรุ่งนี้พี่จะขอโทษแกสมณะลูกเอ๋ยแกไม่น่าจะมาเกิดในที่ที่ลำบากอย่างนี้เลยท่านพูดเจริญเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าก็พอใจแล้ว ความเจ็บปวดที่ข้าพเจ้าได้รับนั้นข้าพเจ้าไม่นักใจเลยไม่กี่วันมันก็หายได้เมื่อทราบว่าโคที่ว่าหายไปนั้นมันไม่ได้หายเลยเพียงแต่สมทั์เพื่อนของข้าพเจ้าลูกชายเจ้าของโคนำกลับมาบ้านก่อนเท่านั้นข้าพเจ้าดีใจลือเกินนอนยิ้มอยู่คนเดียวรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกและหลับไปอีกครั้งหนึ่งด้วยความสุขใจจนรุ่งสางจึงตื่น ตอนเช้าทั้งมานดาและบิดามาประคองข้าพเจ้าและหายาใส่แผลมาพอกและทาให้เท่าที่จะหาได้บิดาแสดงความเสียใจที่ดวนลงโทษข้าพเจ้าและเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเมื่อต้อนโคมาถึงบ้านของนายจ้างแล้วได้บอกให้เจ้าของโครทราบว่าโคหายไปตัวหนึ่งพอดีสมมทัศน์วิ่งออกมาจากในเรือนบอกว่าโคตัวหนึ่งเขาเอามาก่อนแล้ว เพราะเขารักมันมากเพียงเท่านั้นบิดายังมิทันได้รับเงินค่าจ้างอย่างเคยท่านรีบวิ่งไปยังทุ่งเลี้ยงโคและอุ้มขพเจ้าซึ่งนอนสลบอยู่ณที่นั้นไปยังบ้านทันทีท่านบอกว่าท่านเสียใจยังสุดซึ้งและขอให้เขาบังให้อภัยในความเขลาของท่านด้วยขพเจ้าก้มลงกราบท่านทั้งสองด้วยความเคารพรักอย่างสุดซึ้งแล้วกล่าวว่า ความดีของมารดาบิดาที่มีต่อลูกนั้นเหลือที่จะทดแทนได้ท่านทั้งสองต้องลำบากเหนื่อยยากเหลือเกินจึงเลี้ยงลูกมาได้ถึงปานนี้พระคุณ น, นั้นล้นเหลือลูกไม่อาจเอาความพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อยของบิดามาหักลบพระคุณอันล้นเกล้านั้นได้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นขอให้ถือว่าเป็นความผิดของลูกเองที่ไม่ดูแลโคให้เรียบร้อยอย่างที่บิดาเคยทํามา นี่ดีว่าสมทัตเป็นคนเอาไปถ้าคนอื่นเอาไปเราจะม่ต้องชดใช้เจ้าของโคกันตลอดชีวิตหรือมันเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับลูกและก็สำหรับพ่อด้วยบิดาผู้สอดขึ้นข้าพเจ้าสังเกตเห็นท่านทั้งสองมีน้ำตาเ อ, อ่เบ้าตาจะเป็นเพราะความพอใจในคำพูดของข้าพเจ้าหรืออย่างไรข้าพเจ้าไม่ทราบ และในที่สุดมานดาที่พูดขึ้นว่าลูกครับความยากจนนั้นมันทรมานจิตใจของพ่อและแม่มานานแล้วเราต้องทนสู้กับรสุมแห่งชีวิตนี้มาอย่างทรมหดที่สุดมันคอยบีบหัวใจให้ตื้นตันขันน้ำตาของแม่ให้อาบแก้มอยู่เสมอพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแม่และพ่อลำบากนั้นไม่สู้ใครแต่ลูกเอ้ย ใจของแม่ช่างแห้งผากเหมือนไม่มีน้ำเลี้ยงหัวใจอยู่เลยเมื่อเห็นลูกต้องระกำลำบากให้ลูกพยายามยาท้อถอยวันหนึ่งข้างหน้าลูกจะตั้งตัวได้ดีกว่าพ่อและแม่พี่ของลูกเป็นหญิงบางทีอาจจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของลูกด้วยก็ได้